Thank you.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 เรากินเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราเคี่ยวมันไม่อร่อยนะเราก็จะเสียดายเงินรู้สึกเป็นทุกข์กับการที่ต้องกินนะเพราะอาจจะพ่อจ่ายไปเยอะนะเสียไปร่เวลาไอ้การที่เราตีค่าว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้อร่อยไม่อร่อยอย่างนี้เร็วอย่างนี้ช้าเนี่ยมันก็ทําให้เราทุกข์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 ฟังความทุกข์ของคนที่กุ้มอกกุ้มใจอยากจะฆ่าตัวตายนยมันมีสายดวนแบบเนี้ยสายดวนเช่นสายดวนสมาริตันเนี่ยพราะาเอา น, นี้ก็มีนักธุรกิจคนนึงโทรมาที่รว่าเป็นนักธุรกิจเพราะเรื่องราวของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการขนาดใหญ่เขากุ้มอกกุ้มใจมากเพราะว่ากิจการเขาเนี่ยมันไม่เดียวเส้นเลย แย่ yeah. ซักไปซักมาก็าพบว่ากิจการเขาเนี่ยมันกําไรแค่5000ล้านเขาทูเพราะว่าเคยปีก่อนนนั้นกําไรหมื่นล้านนะทแรกนึกว่าขาดทุนนะถึงมีคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะแต่เป็นเพราะว่ากําไรแค่5000ล้านไอ้ความคิดว่าแค่เนี่ยนะแค่ 5,000 ันล้านนี่มันก็ทําให้คนทุกข์ได้นะ ได้โบนัสมา2ล้านแต่พอคิดว่าแค่ 2,000 ล้านอ่ะสล้านเนี่ยมันทุกเลยเพราะอะไรเพราะไปรู้ว่าคนหนึ่งเขาได้3ล้านนะสล้านนี่จากที่เยอะกลายเป็นกลายเป็นน้อยไปเลยไอ้ความคิดว่าแค่นี้แค่ 5,000 ล้านเนี่ยก็ทําให้คนบางคนกุ้มหมากุ้มใจกินไม่ได้น้อยไม่หลับตัวใหญ่ตระฆาตตัวตายได้นี่ก็เป็นเรื่องความคิดเหมือนกันนะไปตีค่าว่ามันน้อยนะเพราะมีการเปรียบเทียบ ห้าพล้านเนี่ยเยอะมากแต่พอไปเปรียบเทียบกับหมื่นล้านมันกลายเป็นน้อยมันกลายเป็นแค่นี้เองนะแล้ลองดูดีๆนะคนเราเนี่ยมันทุกข์เพราะความคิดซะเยอะจริงอยู่นะเวลาเราทุกข์เนี่ยนะเป็นเพราะมีความโศวความเศร้าความโกรธความกังวลความเครียดแต่อารมณ์เหล่านี้เนี่ยสาวไปให้ดีนะมันเกิดเพราะความคิดถ้าไม่คิดนะ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 ถ้าตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่ที่บ้านนะก็ไม่รู้หรอกว่ากำลังนั่งอยู่อาบน้ำอยู่แต่ใจเนี่ยไปคิดถึงงานหรือว่ากำลังนึกว่าจะทำครัวอะไรดีวันนี้ใจไปอยู่ที่ครัวแล้วตอนนั้นละนะไม่รู้หรอกว่ากำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้าหรือกาลังทำอะไรใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถึงจะรู้ตัวถึงจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ผูยานนัคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะหลักการเจริญสติมันง่ายๆคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นและการที่ใจอยู่กับตัวเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปบังคับปองคุณเพียรไปบังคับนะบังคับจิตด้วยการกําหนดให้จิตมันอยู่ที่เท้าให้จิตมันอยู่ที่มือให้จิตมันอยู่ที่ลมหายใจอันนี้เรียกเพ่งล้อันนี้เรียกว่าจ้องแล้วนะอันนี้คือการบังคับจิตซึ่งจิตมันจะสงบชั่วคราวจิตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวชั่วคราว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 เมื่อมือคยื่นขยับเมื่อเท้านะเดินเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการส่งสัญญาณไปส ก, กิดใจให้กลับมาใจนี่มันไปแล้วนะไปอยู่บ้านแล้วบางทีก็ไปถึงอเมริกาเพราะว่าลูกอยู่ที่นั่นแต่ว่าพอมีการเคลื่อนไหวที่มือนเนี่ยนะมันจะเหมือนกับเป็นเป็นตัวที่ส ก, กิดใจความรู้สึกว่ามือมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไปส ก, กิด